คนเราเนะเวลามาถวายทานจะเป็นใส่บาทหรือว่าถวายสังฆทานนะก็อยากจะได้นะคราวนี้คาว่าบุญเนี่ยก็ต้องรู้จักแล้วเข้าใจให้ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเยอะยกตัวอย่างง่ายๆนะเวลาจะกรวดน้ำหรือว่าอุทิศบุญกุศลให้ใครเนี่ยนะเดี๋ยวนี้บางคน มีความเข้าใจว่าถ้าเราอุทิศให้คนอื่นแล้วเนี่ยบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงนะ ย, ยิ่งเราอุทิศให้กับใครนะบุญเนี่ยของเราก็จะมากขึ้นไปด้วยเป็นบุญที่เรียกว่านะปัตตาโมุทนาไมเออเรียกว่าปฏิทานน้ไมปฏิทานน้ไมก็คือว่าการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่น จะเป็นผู้รวงรับจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่คนที่ยังมีชีวิต อ, อยู่ก็ได้แต่เดือนนี้เนี่ยเราไม่เพียงแต่หวงเงินนะเดี๋ยวเราหวงบุญกันแล้วจะอุทิศหรือจะอแผ่บุญกุศลให้ใครนี่ก็นะไม่พอใจนะไม่อยากทำเพราะไปคิดว่าบุญกุศลนี่มันก็เงินนะยิ่งให้เงินในกระเป๋าเราก็ยิ่งเหลือน้อยลง แต่บุญไม่ใช่อย่างนั้นนะบุญในยิ่งให้นะเราก็ยิ่งได้นะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีบางคนเข้าใจไปว่าเนี่ยเวลาพระจะให้พรหรือว่าจะเหมือนกับจะอุทิศบุญกุศลให้ใครถ้ามีคนอื่นมาร่วมรับพรด้วยมาร่วมรับบุญด้วยก็จะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะแบบนี้ก็มีนะ มีเพื่อนที่เป็นพระลอยฟังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมานะถวายสังฆทานเมอพอทําพิธีถวายเสร็จนะท่านก็จะให้พรแล้วก็เป็นโอกาสที่เจ้าตัวได้กรวดน้ำแกกรุงมาเหมือนกับสะดอกเคราะห์นะเพราะมีโชคเอามีคราอนะแต่ว่าพอพระจะให้พรตัวภรรยาก็ออกไป พระท่านก็นรอยอยู่ว่าเมื่อไหร่ภรรยาจะกลับมาจะได้ให้พรพร้พอรมกันก็ไม่กลับเข้ามาสักทีสอบถามสามีก็ได้ความว่าเขากลัวว่าถ้าเขามารับพรด้วยพรที่สามีจะได้หรือกุศลที่จะได้เนี่ยก็จะน้อยลงนะเพราะมันต้องหารสองนะอันนี้คิดกันแบบนี้นะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับอาหารไม่เหมือนกับเงินนะ เงินเนี่ยถ้าให้ใครเนี่ยนะถ้ามีน้อยคนตัวอาหารก็น้อยแต่ละคนก็ได้เยอะนะแต่ถ้าคนเยอะนะแต่ละคนก็ได้น้อยลงเพราะต้องหารเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันอาหารก็เหมือนกันอาหารถ้ามีเยอะแต่คนกินก็มีเยอะด้วยแต่ละคนก็ได้น้อยลงแต่บุญเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพรก็เหมือนกันจะกี่คนกี่คนรับพรรับบุญนะมันก็ได้เท่ากัน ทีิงจ้าวาได้เท่ากันก็ไม่ถูกนําอยู่ที่ใจถ้าใจตอนนั้นเนี่ยใจปโปรง่งใจโล่งใจใจเบาสบายก็รับหรือได้บุญเต็มๆนะเหมือนกับน้ำนะที่อ่ามันจะใส่แก้วเนี่ยน้ําจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ตึงอยู่ที่ว่าแก้วนี่ว่างหรือเปล่าถ้าแก้วว่างเนี่ยนะก็รับน้ําได้เต็มๆแต่ถ้าแก้วนี่มันมีน้ํา อยู่แล้วเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามเนี่ยแถนเป็นน้ำขุนๆด้วยนะเติมน้ำใสน้ำขาวลงไปนะมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวที่เหลือก็ล้นหมดนะ น, นเวลาเรามาทำบุญเนี่ยก็ต้องทำใจให้ให้โปร่งให้โล่งสบายนะจึงมีประเพณีว่าก่อนที่จะถวายสังฆท า, านก็ให้มีพิธีกรรมสักเล็กน้อยก่อนนะเนะช่น กลาวนโมสามจดนะแล้วก็กล่าวคาบูชาพระตนตไตรแล้วก็ จ, จะมีการสมาทานศีลด้วยท่านบนที่ส่วนนี้ก็เพื่อทำให้ใจสงบใจโร่งโปร่งจะได้เกิดความปิตินะเวลาถวายทานนะทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากที่ถวายทานแล้วถ้าถวายระหว่างที่ถวายเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะ ไม่มีใครถ่ายรูปเลยแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้น f เฟซบ o ๊กยังไงเนี่ยจิตใจก็หม่นมองแล้วเดี๋ยวนี้นี่จะถ่ายจะทําบุญเนี่ยต้องมีคนมาถ่ายรูปนะพอไม่มีใครมาถ่ายรูปนะหรือลืมเอากล้องมาเนี่ยลืมมาโทรศัพท์มาไม่สบายใจจิตใจหม่นมองแล้วไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้ได้บุญน้อยมเพราะว่าจิตใจไม่โปร่งไม่โล่งแล้วเวลาทําบุญเนี่ยนะถวายทานถวายสังฆทานนะ จะกรวดน้ําก็ได้ไม่มีน้ําก็นึกในใจก็ได้นี่กเขาเรียกกรวดแห้งนะนึกถึงผู้ที่ลวงรับที่เราอากจะอุทิบุญกุศลไปให้แล้วก็ไม่ต้องรอว่าพระจะสวดยาถาหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องจอดจงได้ว่าต้องสวดยาถาเท่านั้นนะเคยไปบินทบาทนะในแถวหมู่แถ ว, แถวบ้านตาดินทองก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะ ก็พึ่งกลับมาจากในเมืองนะสงสัยจะไปทํางานมาหลายปีสายบาทเสร็จ ก, ก็ร อ, อ ก, กรวดน้ําอัตมาก็เริ่มต้นด้วยว่าอภิวาทนาสีเธอก็ไม่ยอมกรวดน้ําสักทีตนจบแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหลวงพ่อสวจยะถาหน่อยก็อภิวาทนาสีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของยะถาอยู่แล้วนะแล้วแกก็เข้าใจว่าต้องยะถาเนี่ยถึงจะได้บุญเยอะนะถ้าไม่ยะถาเนี่ได้บุญน้อย ไม่เกี่ยวกันเลยมันอยู่ที่ใจนะพะพุทธเจ้าตรัสว่าทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จได้ด้วยใจจะทำบุญอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะบุญจะได้มากหรือน้อยอยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเจ้าตัวนี่ต้องเป็นคนถวายด้วยมือหรือเปล่าบางรายนี่เป็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นใะห้เป็นผู้หญิงถึงเวลาจะทอดผ้าก็ให้สามีทอด พอสามีทอดผ้าเสร็จตัวโยมผู้หญิงคนนี้ก็กล้องกังวลไว้เราจะได้บุญหรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้ถือผ้าเองนะที่จริงเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องถือผ้าเองหรือว่าถวายผ้าเองประเคนผ้าเองแค่ทำใจให้โปร่งโรง่งรู้สึกปิติยินดีก็ได้บุญแล้วแต่ว่าพอจิตใจกังวลกังขาสงสัยว่าเราจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่<ข>ทําให้ บุญที่ได้เนี่ยมันน้อยลงเพราะจิตใจหมดหมองแล้วที่จริงเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ถวายผ้าได้นะแต่เป็นผ้าป่าผ้ากระถินก็ตามเพื่เป็นต้องแตะตัวกันก็ได้นะบางทีก็แตะตัวกันนะเป็นสิบสิบคนเลยมันไม่เกี่ยวนะบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของรูปแบบไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมเป็นแค่ตัวช่วยนะจะแตะไม่แตะตัว นะจะใช้น้ำไม่ใช้น้ํากนะ็ไม่สําคัญไม่มีเงินถวายแค่นุมโมทนายินดีก็ได้บุญละเรียกว่าปตานุมโมทนาใหม่นะอย่างมีคระหนึงนางวิสาขาถวายนะถวาย เ, าเรียกว่าศาลาเนี่ยเรียกว่าทําสร้างอย่างดีเลยนะถวายกระสงนะเพื่อนของนางเนี่ยไม่มีเงินก็นุมโมทนา สมเหมือนกับว่ายินดีสมเมือนกับว่าเป็นผู้ถวายเองร่วมอนุโมทนายินดีนะในนางวิสาขาบอกว่าพอตายนี่นะก็มีวิมานนะบนสวรรค์รองรับนาะงนะก็สงสัยว่าวิมานนี้ได้มาจากไหนนะก็ได้คำตอบเอาได้มาจากการที่อนุโมทนาในบุญนะที่นางวิสาขาทำไว้อันนี้ไม่ต้องใช้เงินนะแค่มีจิตใจยินดีใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาเขา ไม่ใช่แม้กระทั่งว่าเขาถวายเยอะส่วนเราถวายน้อยนะไม่มีที่จริงแม้แต่การบอกทางนะบอกทางนะคนแปลกหน้าว่าตรงนี้แหละนะมาทําบุญเนี่ยมาตรงเนี้ยเป็นทางเข้าวัดเป็นทางไปวิหารนี่ก็ได้บุญแล้วนะนามีอุบาสิกาบางคนนี่ตายไปแล้วก็ได้ไป อ, อยู่ในสวรรค์นางก็ถามว่า ทำบุญอะไรมาถึงได้มาอยู่ในวิมานนี้ก็ได้คำตอบว่าเป็นเพราะว่าบอกทางนะบอกทางคนมาทาบุญเน็นได้ว่าการทาบุญเนี่ยมันทำได้หลายวิธีมากเลยนะไม่ต้องใช้งเงินก็ได้นะทำเสร็จนี่นะพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องรองนะและถ้ายิ่งได้แล้วเนี่ยได้บุญแล้วก็ควรจะยิ่งเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นอย่าเป็นงกบุญนะสมัยนี้เนี่ยเรา เราเอาความคิดแบบโลกโลกซึ่งมันมีความเห็นแกบตัวมันมีการแข่งแย่งแข่งขันกันเนี่ยมาใช้กับศาสนาอย่างเช่นการให้เงินถ้าให้เงินคนอื่นมากเราก็จะเหลือน้อยนะพอเอาวิธีคิดนี้มาใช้นะกับการทำบุญก็เลยงกบุญนะทำบุญแล้วก็ไม่อยากอุทิศให้ใครแทนที่เราจะทำมาเนี่ยมาช่วยทำให้การคิด การกระทํา ท, ทางโลกของเราเนี่ยมันสะอาดมันบริสุทธิ์มากขึ้นเรากับเอาความคิดทางโลกที่มันมีความเห็นแก่ตัวนะตัวใครตัวมันเนี่ยมาใช้กับการทําบุญมาใช้กับาศาสนาเวลาพระจะให้พรนะก็ไม่ให้คนมารับพรเยอะเดี๋ยวกลัวว่าพรที่ตัวเองจาจะจะน้อยลงเพราะว่ามีคนมารับมารับพรเยอะพรก็ต้องกระจายไปคนอื่นอันนี้ไม่ใช่โปรยทานนะโปรยทานเนี่ยนะถ้าคนเยอะเราก็ได้น้อยนะ นี่คิดออกแบบทางโลกนะอะไรที่มีมากมากถ้ามีคนมารับเยอะส่วนแบ่งก็จะเหลือน้อยในเรื่องทางธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งให้ยิ่งได้ผู้ให้ความสุขยิ่งได้รับความสุขนะเวลาพระจะให้พรเออนะชวนคนมารับพรด้วยกันนะอันนี้หลาแสดงถึงนิสัยของความเอื้อเฟื้อ เ, อ เ, อเอผื่อแผ่และไม่ต้องกลัวพรของตัวเองจะได้น้อยลงนะยังได้เท่าเดิม หรือว่าอาจจะได้มากกว่าเดิมเพราะว่ามีจิตใจเมตตากรุณานะปิติยินดีที่เพื่อนมาได้พรด้วยนะหรือว่าได้บุญกุศลด้วยงั้นต้องระวังนะอย่าเอาความคิดทางโลกเนี่ยมาใช้นะกับเรื่องของศาสนาเรื่องการทําบุญไม่ทําให้การทําบุญหรือเรื่องศาสนามันเพี้ยนไปต้องเอาเรื่องของศาสนาเรื่องธรรมะเนี่ยมาช่วยยกระดับนะการทำการใช้ชีวิตทางโลกหรือว่าการอยู่แบบโลกโลกให้มันดีขึ้นให้มันสูงส่งขึ้น มีเมตตากรุณามากขึ้นเห็นกันตัวน้อยลงอติตรพรชิตังปฏิตังตุมหังเทิดาพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเยปเมวะสมมีชตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำรีทางปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันนายวันเพนมานิโชติรโสยทา เหมือนแกะมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยวีวัญชนตูวานจารายท้งปวงจองบำราดไปสาพะโรโววินาสาตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตผวัดวันตรายโย อ, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธิควายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสานิจงางุฏาปจายโนยตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขฆาฬังสามสี่ประการคืออายุวันนาสุขฆาลัยยอมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนนอนต่อคู้ใหญ่เป็นนิภาวะตุสาพมังขลัง พอสาภาหมงคลจองมีแก่ท่านราคันตุสาภาเทวตาพอราเทวดาทั้งวัวจองรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวน่าโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวน่าโดยอนุภาแห่งพระสง สันทาโสธิภาวนตุเตขอข้ า, วาสวรติทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูมื่อเถอ